มูลเหตุที่สองอนหนึ่งในมูลเหตุที่สองสมณะพราหมู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหม์บางคนในโลกนี้เป็นนักตักกะเป็นนักอภิปรัชญาแสดงทัศนะของตนตามหลักเหตุผล และการคาดคณนความจริงอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สองซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารภแล้วจึงมีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัย สรุปอทิจะสมุปปันนะวาทะภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าอัตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติอัตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุสองอย่างนี้แลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจําพวกมีวาทะว่าอัตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัย บัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุทั้งสองอย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้และถึงอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริง สรุปปุพันตะกับิกะวาทะสิปภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมเหล่านั้นกําหนดขันทรัพสิงสวนอดีตมีความเห็นคล้อยตามขันสวนอดีตปรากฏขันสวนอดีตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ18อย่างนี้แลก็สมณะหรือพราหมเหล่านั้นทุกจำพวกกล่าวยืนยันด้วยมูลเหตุทั้ง18อย่างนี้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 คุณโทษแห่งเวทนาและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายทํามเหล่านี้แลลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตใช้เหตุผลฆ่าคเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตาม อันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงอาปารันตะกับปิกะวาทะ44ความเห็นกําหนดขันส่วนอนาคตภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกำหนดขันทรัพย์ส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันทรัย์ส่วนอนาคตปรารบขันทรัย์ส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ44อย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงกำหนดขันทรัย์ส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันทรัย์ส่วนอนาคตปรารบขันทรัย์ส่วนอนาคต ประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ44อย่างสัญญีวาทะ16เห็นว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราม Tim, หมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญามีมูลเหตุ16อย mm ่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุ16อย่างสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่า 1. อัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 2. อัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 3. อัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปย่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 4. อัตตาที่มีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 5. า อัตตาที่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 6. อัตตาที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาเจ็ดอัตตาทั้งที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 8. อัตตาที่มีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 9. อัตราที่มีสัญญาอย่างเดียวกันยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 10. อัตราที่มีสัญญาต่างกันยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 11. อัตราที่มีสัญญาเล็กน้อยยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 12. อัตราที่มีสัญญาหาประมาณมิได้ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 13. อาตา <House> ที่มีสุขอย่างเดียวยั่งยืนหลังจากตายแล้วมี ja? seem สัญญา 14. อาตาที่ม <enlight> en <itas> ีทุกอย่างเดียวยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 15. อาตาที่มีทั้งสุขและทุกยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา 16. อาตาที่มีทุกก็มิใช่มีสุขก็มิใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา สรุปสัญญาวาทะสิภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมลเหตุ16อย่างนี้แลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจําพวกมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุทั้ง16อย่างนี้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 เห็นว่าอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่าไม่มีสัญญาด้วยมูลเหตุแปดอย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารอบอะไรจึงมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่าไม่มีสัญญา ด้วยมลเหตุ8อย่างสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่า 1. อัตตาที่มีรูปย่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 2. อัตตาที่ไม่มีรูปย่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 3. อัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปย่างยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 4. อัตตาที่มีรูปพวมิใช่ไม่มีรูปพวมิใช่ ยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 5. อัตาที่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 6. อัตาที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 7. อัตาทั้งที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา 8. ปดอาตาที่มีที่สุดก็มิใช่ไม่มีที่สุดก็มิใช่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 เห็นว่าอาตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะว่าอาตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่บัญญัติอาตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ด้วยมลเหตุแอย่าง ก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปลารออะไรจึงมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ด้วยมูลเหตุแปอย่างสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่าหนึ่งอัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก allora, ็ม e ิใช่ 2. อัตตาที่ไม่มีรูปย่างยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ 3. อัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปย่างยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ 4. อัตตาที่มีรูปก็มิใช่ไม่มีรูปก็มิใช่ย่างยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มี ส, สัญญาก็มิใช่ 5. อัตตาที่มีท so right. ี่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ 6. อัตตาที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ 7. อัตตาทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่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 ขสมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ด้วยมลเหตุทั้ง8อย่างนี้หรือด้วยมลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน8อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้และถึงอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตตามความเป็นจริง อเชทวาทะเจ็ดเห็นว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมูพวกหนึ่งมีวาทะว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมูลเหตุเจ็ดอย่างก็สมณพราหมู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าหลังจากตายแล้ว อั ต, ตาขาดศูนย์บัญญัติความขาดศูญความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมูลเหตุเจ็ดอย่างหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้มีวาทะมีทัศนะอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอั ต, ตานี้มีรูปมาจากมหาภูตรูปสเกิดจากบิดามารดาหลังจากตายแล้วอัตตา ย, ย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้ อัตานี้จึงขาดศูนย์เด็ดขาดสมณพราหมพ์พวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้ 2. สมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตานี้ไม่ใช่ขาดศูญย์เด็ดขาดเพราะเหตุเพียงเท่านี้ยังมีอัตตาอื่นที่เป็นทิพย์ มีรูปเป็นกามาวจรบริโภคข้าวเป็นอาหารท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นอัตานั้นหลังจากตายแล้วจะขาดศูนย์พินาตไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตาจึงขาดศูนย์เด็ดขาดสมณพราหมพ์พวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาตและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้ส สมณะหรือพรามคนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพรามคนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่ า, าศูนเด็ดขาดเพราะเหตุเพียงเท่านี้ยังมีอัตตาอื่นที่เป็นทิพมีรูปสำเร็จด้วยใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็น อาตานั้นหลังจากตายแล้วจะขาดสูญพินาศไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตาจึงขาดสูญเด็ดขาดสมณะพรามพวกหนึ่งบรรจัญญิความขาดสูญความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้ 4. สมณะหรือพรามคนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพรามคนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มี แต่อัตานี้ไม่ใช่ขาสูญเด็ดขาดเพราะเหตุเพียงเท่านี้ยังมีอัตตาอื่นที่ถึงชั้นอากาสานันจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นอัตานั้นหลังจากตายแล้วจะคาสูญพินาศไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้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 วิญญาณัญจายตนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงอากาสาัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นอัตตานั้นหลังจากตายแล้วจะขาดศูนย์พินาตไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตาจึงขาดศูนย์เด็ดขาดสมณพรามพวกหนึ่งบรญญัิความขาดศูนย์ความพิณาตและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้หก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 อาตานั้นหลังจากตายแล้วจะขาดศูนย์พินาาไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อาตาจึงขาดศูนย์เด็ดขาดสมณะพราหมูพวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาาและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้เจสมณะหรือพราหม์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหม์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอาตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มี แต่อัตานี้ไม่ใช่ขาดศูนย์เด็ดขาดเพราะเหตุเพียงเท่านี้ยังมีอัตตาอื่นที่ถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญาญาตนะโดยกำหนดว่านั่นละเอียดนั่นปราณีตเพราะล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นอัตานั้นหลังจากตายแล้วจะขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตาจึงขาดศูนย์เด็ดขาด สมณพราหม์พวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัสตว์อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์บัญญัติความขาดศูนความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมูลเหตุเจ็ดอย่างนี้แลก็สมณพราหมเหลา่านั้นทุกจําพวกมีวาทะว่าหลังจากตายแล้ว อาตาขาดศูย์บัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมลเหตุทั้งเจอย่างนี้หรือด้วยมลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน7อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้และถึงอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตตามความเป็นจริง พ ธ, ธรรมนิพพานวาทะหเห็นว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุห้าอย่างก็สมณพราหมู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารออะไรจึงมีวาทะว่า มีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุห้าอย่าง 1. สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้มีวาทะมีทัศนะอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเพราะเหตุที่อัตตานี้เ อ, อิบอิ่มเพลิดเพลิน อ, อยู่ด้วยกามาคุณหจึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรม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 ผันแปรเป็นธรรมดาเพราะการมนั้นผันแปรไปเป็นอื่นความโศกเศร้าความครื่มครวญความไม่สบายกายความไม่สบายใจและความขับแค้นใจจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุที่อัตตานี้สั ง, งัดจากกรามและอกุศโลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขเกิดจากวิเวกอยู่จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรม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 เพราะปฐมฌานที่มีวิตกมีวิจารณ์นั้นบัณฑิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะเหตุที่วิตกวิจารณ์สงบไปอัตตนี้จึงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรม สมณพราหมูองค์หนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้ 4. สมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่จะบรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไร เพราะทุติยชาญที่ยังมีปิติเป็นเหตุให้จิตเบิกบานนั้นบัณดิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะเหตุที่ปิติจางคลายไปอัตานี้จึงมีอุเบขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยชาญที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบขามีสติอยู่เป็นสุขจึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรม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 เพราะตติยชาญที่จิตยังคํานึงถึงสุขอยู่นั้นบัณฑิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะเหตุที่ละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสก่อนดับไปก่อนอัตานี้จึงบรรลุจตุติชาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่า เป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้สรุปทิฏฐธรรมะนิพพานวาทะภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบัน บัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมลเหตุ5้าอย่างนี้แลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจําพวกมีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมลเหตุทั้งห้าอย่างนี้หรือด้วยมลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในห้าอย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ละถึงอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคต ถูกต้องตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นกําหนดขันธ์สรรพสิ่งส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารบขันธ์ส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ44อย่างนี่แลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจําพวกกําหนดขันธ์ส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารบขันธ์ส่วนอนาคต ประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมลเหตุทั้ง44อย่างนี้หรือด้วยมลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน44อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้และถึงอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์พวกที่กําหนดขันส่วนอดีตพวกที่กาหนดขันส่วนอนาคตและพวกที่กาหนดขันทั้งส่วนอดีตและอนาคต ล้วนมีความเห็นคล้อยตามขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตปรารบขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ62อย่างนี้แลก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าน <reco Christ. S 1> ั้นทุกจําพวกที่กําหนดขันส่วนอดีตที่กําหนดขันส่วนอนาคตหรือที่กําหนดขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตล้วนมีความเห็นคล้อยตามขันทั้งส่วนอดีตและอนาคต ปรารบขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุทั้ง62อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน62อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัด และยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษแห่งเวทนาและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพน้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แหลลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณี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 ว่าด้วยการบัญญัติอัตตาและโลกเพราะความแสหาความดิ้นรนของคนมีตัณหาภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกที่มีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยมลเหตุสี่อย่างข้อนั้นเป็นความเข้าใจของพวกเขาผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาความดิ้นรนของคนมีตัณหาเท่านั้น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 ด้วยมูลเหเส่ีอย่างข้อนั้นเป็นความเข้าใจของพวกเขาผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันพวกที่มีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมลเหเส่ีอย่างข้อนั้นเป็นความเข้าใจของพวกเขาผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหา ความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันพวกที่มีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจใจบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปั จ, จัยด้วยมูลเหตุสองอย่างข้อนั้นเป็นความเข้าใจของพวกเขาผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความแสหาความดิ้นรนของคนมีตัณหาเหมือนกันพวกที่กำหนดขันส่วนอดีตเห็นคล้อยตามขันส่วนอดีต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 เพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่มีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมูลเหตุสี่อย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่มีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุสองอย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุ พวกที่กำหนดขันศูนย์อดีตเห็นคล้อยตามขันศูนย์อดีตปรารบขันศูนย์อดีตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ18อย่างข้อนั้นก็เพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่มีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุ16อย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุ พวกที่มีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาบาัญญัติ อ, อ, าา wał, อัตตาหลังจากตายแล้วว่าไม่มีสัญญาด้วยมูลเหตุ8อย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่มีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ ด้วยมูลเหตุ8ดอย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่มีวาทะว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์ด้วยมูลเหตุเจดอย่างข้อนั้นเพราะผัสสะเป็นเหตุพวกที่มีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุห้าอย่าง